เ, เมื่อวันที่ยี่สิบสองกรดกดาคมพศสองพันห้าร้อยสิบณวัดป่าบ้านตากอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยาณเนศสมปันโนเป็นกำหนดของพระให้มีขอบเขตอยูจากนี้ถึงเพลนเดือนที่เดเป็นเวลาสามเดือน ไม่พระไปเที่ยวเรียล่อดโดยไม่กำหนดที่พักที่อยู่ไปแรงบันแรมคืนการเข้าภาษาคลิปเป็นกิจสำคัญสำหรับพระด้วยทั้งคารวาสผู้มีความสนใจในด้านธรรมะก็ถือว่าเป็นกิจสำคัญเช่นเดียวกัน อบเขตของพระที่อยู่ประจำใ น, นรรษาก็สิ้นไตรมาสสามเดือนเมื่อเราอยู่ในสถานที่โดยไม่มีความกังวลจะไปทางใดมาทางใดแล้วก็มีหน้าที่ที่จะประกอบความภาพเพียรของตนให้เต็มสติกําลังความสามารถสมกับว่าเราน่ามีหน้าที่อันเดียวคือความเป็นนักปวชและปฏิบัติตน ตามหลักธรรมวิไหนที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัดไว้ไม่ให้บกพร่องเมื่อเราอยู่ในสถานที่และมีกำหนด ก, การมาเด้เที่ยวไปที่อื่นแล้วเรายังมีความสนใจให้ต่อทุ้ดงเขาว่ที่จะกำจัดวิเลษเป็นประเภทประเภทออกไป จากทุดงกวัด น, น, นั้นด้วยเพราะฉะนั้นถึงปีเข้าพรรษามาทุกๆปีจึงได้พาบรรดาพระเนนในวัดนี้ได้สมทานทุดงกวัดมีการบินธบาเป็นต้นตามปกติเมื่อ บ, บินธบา กลับมาถึงวัดแล้วมีผู้ตามส่งมาเช่นมาจังหันเป็นต้นก็ย่อมรับได้เป็นธรรมดาแต่เมื่อได้สมทานทุดงที่ห้ามการส่งเสียเมื่อภายหลังสาบินทบาทกลับมาแล้วนี่แล้ว จึงเป็นเรื่องของพระที่จะสังรวมระวังในทุดงควัตของตนข้อนี้หรือเมื่อบินทาบาทกลับกลับมาถึงเขตกำหนดที่ควรรับแล้วนั้นผู้มีทุดงข้อนี้ย่อมได้หยุดรับเช่นที่วัดเราก่อนมีที่กำหนดไว้สำหรับใส่บาทบรรดาท่านผู้มีศรัทธามาจากที่ต่างๆก็ย่อมมารวมใส่ที่นั่นเมื่อมาถึงวัดก่อน เมื่อหมดเขตนั้นแล้วก็เป็นอันว่างดนํำหนักผู้มีทุรดงผู้ดงวัดแต่ละข้อเป็นเครื่องกำลนงกาจัดกิเลสเป็นประเภทประเภทเนถือผ้าบางสกุลเป็นวัดในข้างพุทธการผ้าบางสกุลไม่ค่อยมีผ้าที่มีเนื้อดีมีราคาแพง แต่เป็นผ้าที่เขาทอดทิ้งมาไว้ตามที่ต่างๆในป่าชา้าหรือทอดทิ้งไว้ตามถนนทุ่นทางถ้าไปเกี่ยสอดแสลงหามาติดต่อเย็ดติดต่อกันเข้าเป็นสบงกีวรเรียกว่าผ้าบางสกุลถ้าเป็นผ้าพันจกหรือเขาทิ้งไว้ในป่าชา้าเรียกว่าผ้ามหาบางสกุลผ้าที่ ทิ้งไปในที่อื่นจัดว่าเป็นบางสกุลธรรมดาแต่มาช่วงสมัยทุกวันนี้แม้จะไปชักบางสกุลในป่าช้าก็เป็นวัตถุทยทานของญาติโยมที่มีศรัทธาตั้งใจไปถอดไว้เพื่อพระท่านในชักบางสกุลไม่ได้ถอดทิ้งไว้เฉยๆเหมือนอย่างครั่องทุตการนี่ก็เป็นเครื่องกําจัดอิเล็กความ โลกในกีวรของพระได้ประเภทหนึ่งตามธรรมดาความโลภนิ่นโลกหลายประเภทแม้จะเข้ามาบวชในศาสนาแล้วความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยบวชแต่คนผมโกลทีเพราะฉะนั้นการบวชตนเองจึงต้องบวช ด, ด้วยหลักธรรมะคือกาจัดกิเลสประเภทใดที่มีความรุนแรงยอมดัดกิเลส ประเภทนั้ น, น, นด้วยธรรมะข้อนั้นข้อนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจิทรงบัญญัติธรรมะไว้สนหรับคำปฏิเดชของพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติหลายข้อด้วยกันในรตระกูลวัดนี้มี13สามข้อแต่ที่ปฏิบัติกันอยู่โดยมากก็มีผ้าบางสกุลถือผ้าบางสกุลและอยู่ในป่าเป็นวัด อยู่ในป่าช้าเป็นวัดตามการอันควรนะ้บินถือบินถาบาทแต่จำเป็นวัดถือบินถาบาทรับเฉพาะของในบาทเท่านั้นไม่ตามไม่รับวัตถุทยธานที่ญาติโยมตามมาทีหลังซิ้นตนโดยกำหนดเขตเอาไว้แล้ว ฉันเอกาคือฉันหนุ้นหุ้นเดียวฉันมือเดียวเหล่านี้เป็นเครื่องกําจัดกิเลตคือความโลภของเราแต่ละแต่ละอย่างไลยอย่างได้เป็นอย่างดีผู้ที่บวชเข้ามาในพระศาสนาถือว่าเป็นผู้มีขอบเขตเราคิดดูอย่างภายนอกแม้แต่แม่น้ํามหาสมุทรก็ยังมีฝั่งเป็นขอบเขตน้ําในตุ่มในหนกยก็มี ขอบปากเป็นขอบเขตของน้ําน้ําในหม้อก็มีขอบเขตของหม้อเป็นที่อยู่ของน้าน้ําในแก้วขอบปากแก้วต้องเป็นขอบเขตของน้ํำในแก้วเราผู้ปฏิบัติธรรมะวินัยก็ต้องถือหลักธรรมวินัยเป็นขอบเขตแห่งความประพฤติของเรามีชื่อว่าผู้มีขอบเขตอยู่ก็มีขอบเขตไปก็มีขอบเขตในียบทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นผู้อยู่ในขอบขอบเขตของหลักธรรมวินัย คือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าด้วยดีทางองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าดังทรงพระชนูบรรดาสาวกที่ได้สนับทาจากพระพุทธเจ้าแล้วไปบำเพ็ญตนอยู่ในสถานที่ต่างๆก็บำ เ, เพ็ญตามขอพเขกแห่งธรรมะที่พระองค์ประทานไม่ได้เหมือนกันไม่ว่า ชาติชั้นบรรณะใดไม่ว่าสกุลใดเมื่อได้ออกเล่งวาจาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าปรากฏเป็นสากยาบุตรในพระพุทธศาสนาแล้วยอมถือความเป็นพระสม่ำเสมอกันไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือยดถือศักดิ์ถือหลักธรรมวินัยเป็นหลักสำคัญในการทรงตัวอยู่ด้วยเพศเป็นพระ หากมีความผิดพลาดประการใดก็มีการแนะนำตักเตือนสั่งสอนกันได้โดยไม่กำหนดอายุพรรษาแต่ถือข้อข้อผิดเป็นสิ่งสาคัญผู้ที่เตือนก็เตือนด้วยความเป็นธรรมผู้รับความเตือนก็รับด้วยความเป็นธรรมเมื่อต่างฝ่ายต่างมีธรรมด้วยกันแล้วย่อมมีความอยู่เย็นเป็นจุดจะมีจำนวนมากก็เป็นเครื่องประดับซึ่งกันในการให้สวยงามที่เรียกว่าสังคโซภาา คือเป็นพระสงฆ์ที่งามมีจํานวนมากเท่าไรก็เป็นเครื่องประดับวัดวาวัดศาสนาให้เจริญมุ่งเรืองเข้าไปเท่านั้นหากตรงกันข้ามจะมีน้อยก็เป็นเครื่องสังหารน้อยเหมือนอย่างในบ้านในเมืองใดที่มีโจรผู้ร้ายแม้แต่เพียงคนเดียวบ้านเมืองก็ไม่ค่อยจะอยู่เย็นเป็นสุขคว่าจะถูกรบกวนหรือราวีอยู่เสมอมีผู้ที่ไม่เป็นธรรมจะอยู่ในวัด หรือนอกวัดก็าตามมีจํานวนน้อยหรือมากก็าตามต้อมทําการลกทําความลบควรให้แก่ผู้อื่นซึ่งเป็นทําให้ได้รับความเดือดร้ อ, อนไมส่สะดวกสบายเลยฉะนั้นเราเป็นนักบวชในพระศาสนาจงตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติ ต, ต่อหลักธรรมวินยัยอย่าเอาความอยากใดใดซึ่งเป็นเครื่องกีดขวางทรมวินยัยเข้าไปแอบแฝงในจิตใจหรือออกหน้าออกตาเป็นความประพฤติ ทางมารยาททางกายทางมาจาททางใจให้มีแต่ทมทั้งนั้นจะเคลื่อนไหวไปมาออกทางใดในมารยาททางกายทางมาจาททางใจให้เป็นไปด้วยธรรมมีเรียกว่าเป็นมารยาทที่ดีความรู้สึกทุกดะให้เป็นไปได้ด้วยธรรมะอยากให้เป็นไปด้วยความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่าเป็นข้าสึกต่อธรรมนั้นในหน้ารรษาเช่นนี้เป็นเวลาที่สะดวกมาก ที่เราจะได้บําเพ็ญความภาคเพียรการบําเพ็ญเพียรในทางด้านจิตใจให้สังเกตตัวเองเสมอเราบําเพ็ญอย่างไรจิตใจของเราได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างให้สังเกตการนั่งมากการเดินมากยืนมากหรือนอนมากนอนน้อยเป็นอย่างไรการฉันมากฉันน้อยเป็นอย่างไร อาหารที่ฉันนันเป็นอาหารประเภทใดบ้างฉันลงไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรแก่าขาดขันและธรรมะของเราที่บำเพ็ญบ้างเป็นเครื่องสนับสนุนกันหรือไม่เราคอยสังเกตตัวเองเสมออย่างนี้ชื่อว่าผู้ปฏิบัติโดยทาจริงๆไม่สักแต่ว่าปฏิบัติและไม่คำนึงว่าผลเป็นอย่างไรถึงเวลาก็ทาถึงเวลาก็เลิกในขณะที่ทาก็ไม่ได้สังเกตสอบ ด, ดู ในระหว่างจิตกับอารมณ์แห่งธรรมะที่ตนนำมาปฏิบัติว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่หรือเป็นแต่เพียงกิริยาที่เราทำความเพียรแต่แล้วจิตส่งไปสู่ที่ต่างๆตามปกติที่จิตเคยคิดมาแล้วอย่างนั้นไม่จัดว่าเป็นความเพียรผลประโยชน์ที่จะได้จากความความเพียรประเภทนี้ไม่มี นอกจากจะทำให้เสียเวลา ไ, ไ, ไปเปล่ับฉะนั้นทุกๆ ท, ท่านเมื่อในขระทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกเห็นว่ามีราคาก้าวเข้ามาสู่อพระศาสนาซึ่งเป็นหลักธรรมอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าแล้วโปรดนำธรรมะเข้ามาเป็นเครื่องประดับกายระดับวาจาระดับใจทั้งตนด้วยดีในเอียบทั้งสี่อย่าได้ลดละ ความเพียรเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสําคัญสําหรับนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยเช่นอย่างที่เราดมดูดีนักบัติน่าเห็นแก่ความทอดแท้อ่อนแอนักปฏิบัติไม่ใช่เป็นผู้ทอดแท้อ่อนแอไม่ใช่เป็นคนที่เห็นแจก่ปากแกท้องเห็นแก่หลักแกนอนแต่เห็นแก่หลักธรรมินในและเห็นแก่ความพ้นทุก์เท่านั้นเป็นหลักของขัน หากเราได้สร้างตัวของเราเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นมาด้วยข้อปฏิบัติเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับนนั้นแหละเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์เมื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ภายในจิตใจของเราแล้วนั้นเราจะทําการเฉลีย่ยเปลืยแย่แต่ใครๆไม่ว่าใกล้หรือไกลไม่ว่ากว้างหรือแค่ไม่มีวันหมดสิ้นไปได้เพราะเป็นสมบัติมหาศาลสมบัติมหาศาลในสถานที่นี้หมายถึงผู้มีคุณธรรม เต็มภูมิภายใน จ, ใจิตใจในขั้งพุทธการเรียกว่าถึงขั้นสุดยอดได้แก่พระรหัตผลคำว่าพระรหัตผลก็ดีสักิทาคาผลก็ดีอานาคาผลก็ดีโซดาปฏิผลก็ดียาพึงเข้าใจว่ามีอยู่ที่เมืองพระพุทธเจ้าตรัสรู้และมีอยู่กับสมคนสมัยของพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ โปรดได้ทราบว่าธรรมะที่กล่าวมาทั้งสีน่นี้มีอยู่กับท่านผู้สนใจใคร่ต่อการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะทางเดินที่จะก้าวเข้าไปสู่หลักธรรมทั้งสี่ประเภทนี้นั้นไม่นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้งสี่ก็เวลานี้สัจธรรมทั้งสี่มีอยู่หรือไม่ในตัวของเรา นี่เป็นหลักประกันในมรรคผลนิพพานที่กล่าวผ่านมาแล้วศาสนาธรรมทั้งสี่คือทุกจะเป็นทุกทางกายก็ตามทุกทางใจก็ตามท่านเรียกว่าทุกขสัตนี่เป็นความจริงประเภทซึ่งจะเป็นเครื่องให้เราได้พิสูจน์รู้จริงเห็นเห็นจริงตามหลักแห่งความทุกข์ที่มีอยู่ทั้งภายในกายและภายในใจของเราสมุสสมทย ได้จะได้ที่เป็นปะปด้วพระกับความคนองทายในจิตท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ก่อให้ทุกเกิดหรือเสริมทุกที่มีอยู่แล้วพระอ ำ, อำนาจของสมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นในเบื้องต้นให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปโดยทำตัวเราให้อบาวเสาลงทุกวันทุกวันมี่ท่านเรียกว่าสมุทยัยมีสามประเภทการมตัญหา ความเพย์ทยานอยากในกรรมภาวะตันหาความความอยากในพบนวิภาวะตันหาความอยากในของไม่มีทั้งสามประเภทนี้ท่านเรียกว่าตันหาตันหาทั้งสามประเภทนี้แหละเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจของเราไม่ให้ดําเนินไปตามหลักธรรมได้ด้วยความสะดวกเพราะตันหาทั้งสามนี้เป็นเหมือนกับเหวใหญ่ ฝนตกลงมาที่ใดจะต้องไหลลงไปสู่ที่นั้นที่นั่นหมดและเป็นที่ต่ำที่สุดด้วยเช่นเดียวกับท้องมหาสมุทรน้ำจะตกที่ฝนจะตกที่ใดก็ตามน้ำจะไหลลงจากที่ใดต้องปรวมลงที่มหาสมุทรอันนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับท้องมหาสมุทรไม่มีวันอิม่มวันพอเราจะเสาะแสวงหามาให้ได้มากเท่าไหร่ เมืองพอจะไม่ปรากฏในท้องมหาสมุทรทั้งสามคือการ ม, มาตัิหานพระวะตัตรฐาวิภวะตัณหานี่เลยพระพุทธเจ้าท่านกลับไม่ว่านติตัณหาสมาณทีแม่น้ําเสมอด้วยตัณหานี้ย่อมเหม็นคิดดูแม่น้ํามหาสมุทรนั่นกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ก็ยังสู้แม่น้ําคือตัณหานี้ไม่หนละักก็เพราะว่าธรรมชาตินี้ไม่มีเมืองพอ เนื่องจากกิตไม่มีขอบเขตกิเลส ท, ที่เข้าสิงอยู่กับกิจจึงเป็นธรรมชาตทิที่ไม่มีขอบเขตเมืองพอดีเช่นเดียวกันจะมีมากเท่าไหร่ได้มาตักเท่าไหร่ความพอจะปรากฏตัวเลขขึ้นมาหเห็นว่าพอแล้วจานวนเท่านั้นพอแล้วจานวนเท่านั้นยังเหลืออยู่เพียงเท่านั้นอย่างนี้จะไม่มีนอกจากจะปรากฏแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอตลอดไปจะเห็นรูป ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายไม่พอในรูปที่ตนชอบใจได้ยินเสียงฟังมาเท่าไรจนหูหนวกฟังแล้วฟังเล่าจนหูใช้การใช้การมาไนาแต่ใจก็ยังอยากฟังตรงกลิ่นริมรถเครื่องสัมผัสถูกต้องทุกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับกายซึ่งมีใจอันเป็นที่อยู่ของกันหาแทรกซึมอยู่ไม่มีวันพอไม่มีเมืองพอตลอดไป มีท่านจึงเรียกว่าปัญหาคือความไม่พอมีอยู่ที่นี่ถ้าหากว่าเราจะคล้อยตามธรรมชาตินี้แล้วเราจะกลายเป็นคนไม่พอจะเป็นคนหิวโหยอยู่ตลอดเวลารับทานอิ่นแล้วหากขันพอแล้วแต่ใจนั้นไม่มีวันพอถ้าหากว่าเราคล้อยตามแล้วจะเป็นเช่นนี้วันไหนที่จะไม่ได้ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเลย หากว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกั้นหรือเป็นเครื่องกําจัดธรรมชาติเหล่านี้ให้หมดไปเป็นลํำดับลำดับแล้วเราจะหาความสบายจากใจดวงนี้จากอัตาภาพนี้จากการอยู่ในโลกนี้หรือจากชีวิตอันนี้ไม่ได้เลยมีทางเดียวที่จะสามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้ ราจนปรากฏเป็นผลคือความสุขขึ้นมาเป็นลำดับถึงความสุขอันสมบูรณ์ได้จากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงเห็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประหนึ่งว่าเครื่องชุดลากเราให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งจะมีเราแต่เราอยู่ทุกๆขณะอย่างนี้จะเป็นที่พอดีสาหรับท่านผู้ต้องการความพ้นทุกข์ ต้อความพยายามอย่างนีใหญ่าลดละความเพียรความเพียร น, นี้แหละเป็นเครื่องจะทําเราให้มีความเจริญก้าวหน้าไม่ว่าทางโลกและทางธรรมถ้าเพียรในทางชอบผลย่อมได้ครับเป็นชอบทำเสมอไม่มีผลอะไรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเหตุที่ชอบกลายเป็นผลที่ปิดขึ้นมาหากเป็นเช่นนั้นแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ยังเหลืออยู่ในโลกให้ได้กราบไหว้บูชา มาเป็นบัดนิ่มมีเนื่องจากว่าธรรมะเป็นของคงเช่นคงวามีความสัตย์ความจริงอยู่ภายในตัวเองอย่างพร้อมมูลแรวผู้ปฏิบัติตามหลักทำแนวจึงจะถึงพร้อมด้วยความพร้อมมูลเป็ น, นำลำดับลำดับไปหลักการปฏิบัติทางด้านจิตใจขอให้พิจารณาทางกายคตาสติให้มา การค้นคว้าด้วยปัญญาตามโอกาสที่ควรนั่นแหละเป็นทางที่ใจเห็นเหตุเห็นผลเรื่องของทุกข์ก็จะต้องเห็นด้วยปัญญาเรื่องสมุทัยก็จะรื้อถอนออกได้ด้วยปัญญานิโรธะคือความดับทุกข์เป็นชัน้นๆปรากฏผลขึ้นมาภายในจิตก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลําดับลําดับในขณะที่กิเลสประเภท น, นั่นดับลงไปเนื่องจากมรร คือเครื่องกำจัดกิเลสมีแบบประการมีสัมมาธิฏิเป็นต้นสัมมาส ม, มาธิเป็นบทสุดท้ายนี่คือทางนำเนินพระพุทธเจ้าท่านดํากกดเนินตามทางสายนี้เลยจนถึงความเป็นสาตสดาเอกของโลกได้สาวกก็ดําเนินตามทางสายนี้เช่นเดียวกันไม่มีทางสายใดที่นออกไปจากทางสายนี้ ผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงความพ้นทุกไปได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าทางเอกไม่มีทางใดจะที่เสมอเหมือนทางนี้ได้เลยมีทางสายเดียวเทา่านี้ท่านจึงเรียกว่าทางเอกเอกก็คืออันเดียบมีทางสายเดียวเทา่านี้หรื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกไปได้เป็นจํานวนมากมายพ้นจากทุกไปได้โดยลําดับตาม อำนาจแห่งการปฏิบัติหรือกำลังแห่งการปฏิบัติของตอนก็เพราะทางสายเอกนี้ไม่มีทางสายใดกิเลสทุกประเภทไม่มีกลัวสิ่งใดเลยนอกจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าทางนั้นจะเป็นเครื่องมือสังหารกิเลสได้ฉะ น, นจงเห็นมักทั้งแปดประการเป็นเหมือนคู่ขีิยที่จะกำจัดกิเลสเครื่องสังหารเรา ให้แตกกระจัดกระจายออกจากจิตไปเป็นลําดับลําดับด้วยอํนานาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนผู้ใดมีความเพียรกล้ามีปัญญาชอบพ้นคิดพิจารณาผู้นั้นแหละจะเอาตนรอดไปได้เป็นลําดับความพ้นทุกเราจะไม่ไปหาได้ที่กรงไหนนอกจากจะหาได้ในจุดที่มีทุกอยู่ได้แก่จิตใ จ, ใจในี้เท่านั้นผู้นี้แหละ เป็นผู้สั่งสมทุก์ในขณะเดียวกันก็คือผู้นี้แหละเป็นผู้จะแก้ถอนทุกออกจากตนของตนให้ถึงความมืยสุดได้มีใจดวงเดียวเทา่านี้ใจตรงนี้แหละเป็นหลักของโลกของธรรมคําว่าเกิดว่าตายก็คือเรื่องของใจนี้เป็นตัวเหตุแต่ใจอันแท้จริงแล้วม่ได้ตายเหมือนอย่างร่างที่ใจก็แปอาศัยทุกๆร่างร่างใดก็ตาม ซึ่งเป็นด้านมัตตุแล้วย่อมมีการสลายไปจะเป็นร่างของศัตรูถึงการแล้วก็สลายไปร่างของบุคคลร่างของใครก็ตามเมื่อถึงการแล้วก็ต้องสลายไปเพราะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องบีบมังคับอยู่ภายในตัวข้องหมัดรับผืนจากหลักธรรมทั้งสามประเภทนี้ไปไม่ได้แต่ใจแน่จะมีกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นไตรลักเช่นเดียวกันสิงอยู่ก็ตามแต่ใจนั้น ก็ไม่ตายหากทาให้เกิดที่นั่นปรากฏตัวขึ้นมาในรูปร่างมากเกิดแล้วสลายตัวลงไปมากตายอยู่เช่นนี้ตลอดมาท่านจึงเรียกว่าพบว่าชานักท่องเที่ยวที่ปรากฏชื่อหรือนามก็คือเรื่องของจิตไม่มีสิ่งใดจะเป็นนักท่องเที่ยวในโลกนี้นอกจากจิตดดเดียวเท่านี้เป็นนักท่องเที่ยว ผู้ปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะให้รู้เรื่องของจิตผู้เป็นนักท่องเที่ยวแล้วจะได้หักห้ามตนหรือตัดทอนความท่องเที่ยวของจิตนั้นให้น้อยลงต่างว่าน้อยพบน้อยชากน้อยชากลงไปงนี่นีเรียกว่าตัดทอนลงไปด้วยอํานาจแห่งความดีที่เราดําบำเพ็ญมาหากว่าจะมีการเกิดต่อไปเพราะอํานาจแห่งเชื้อที่จะให้เกิดนั้นยังมีฝังใจอยู่ ก็ให้ได้เกิดในสถานที่ดีคติที่สมความมุมาตราถนาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลาทางคือความสิ้นจุดแห่งทุกข์จิ้จุดแห่งความเกิดท่านกล่าวไว้ในบาลีว่านัตติบุคงอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเราอย่าไปกลัวว่าการไม่ได้เกิดแล้วจะเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านกั่ไว้ว่า ทุกเจ้าไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดแล้วไม่ปรากฏสมมุติอันใดที่จะสร้างตัวขึ้นมาทุกซึ่งเป็นตัวสมมุตดจะปรากฏขึ้นมาได้ที่ไหนไม่มีทางเกาะไม่มีทางจะให้ใจของเราเป็นทุกเมื่อได้ชำระสิ่งที่เป็นส ม, มุติออกหมดแล้วเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆนั่นนอกจากสมมุติไปแล้ว กิจประเภทนี้ท่านเรียกว่ากิตวิเศษหมดจากการท่องเที่ยวการเกิดจากจะตายจะเคยมาเคยเป็นมากี่ภพกี่ชาติต่างาเมื่อกิจได้ก้าวเข้าถึงขั้นนี้แล้วเป็นอันว่าตัดสะพานกันกับเรื่องความเกิดเกิดตายตายความทุกข์ทั้งหลายซึ่งเกาะกันมากับเรื่องความเกิดก็เป็นอันว่าหมดปัญหากันไปนี่คือผลแห่งการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มีผลสุดยอดอย่างถ้าเราเป็นผู้เหนื่อยนายต่อการเกิดตายและทุกข์ทรม า, าร์ศากนี้ก็โปรดได้ทำความสนใจต่อตนเองซึ่งจะเป็นนักต่องเที่ยวอยู่ต่อไปอีกให้รู้เรื่องของจิตตนเองอย่างชัดเจนด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า มีจุดประสงค์อันสุดยอดของหลักศาสนาที่สอนโลกสอนถึงจุดนี้แต่มาได้หมายถึงว่าจะมีเพียงนี้เท่านั้นเป็นเครื่องตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมีมาเป็นลำดับลำนาตั้งแต่เริ่มสนใจกับธรรมะเริ่มทาบุญให้ทานผลก็ปรากฏมาเป็นขั้นขั้น เ ร, เริ่มเจริญเมตตาทนนาผลก็ปรากฏมาเป็นลาดับกําดาสังสมมันนี้เข้าสังสมมันนั่นบ้างสังสมมันนี้บ้างผลจากอันหนึ่งก็เป็นสองผลจากสองก็เป็นสามรวมมันเข้าแล้วก็เป็นจานวนมากขึ้นเพราะการทำความดีนั้นมีหลายทางที่เราจะทำได้ความดีทั้งหมดที่เราทำประมวลลงมาแล้วก็คือความสุขนั่นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความดีเพราะนั้นการทำดี จึงไม่เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไปถ้าหากว่าเรายังเห็นตัว้างเรามีคุณค่าอยู่ตราบใดความดีซึ่งเป็นสิ่งที่เรา ป, ปรารถนาก็ควรจะเห็นเป็นของสำคัญอยู่ตราบนั้นแล้วบาเพ็ญตนไปจะยากลำบากเท่าไรก็ตามให้ถือว่าการบาเพ็ญความดีก็เพื่อเราเช่นเดียวกับการงานอื่นๆเพราะการงานใดเราทำลงไปก็เพื่อเรา ไม่ใช่เพื่อผู้อื่นใดทั้งนั้นแม้จะเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็เราก็เป็นคนหนึ่งของประเทศชาติบ้านเมืองก็ชื่อว่าเราเพื่อเราผู้หนึ่งอีกเช่นเดียวกันกิดนอกการในก็เพื่อเราการบำเพ็ญจิตใจหรือการทำบุญให้ทานก็เพื่อเราเช่นเดียวกันเราอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดอะไรจะไม่เพื่อนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการจะทำสิ่งใดควรใช้ความใคร่คว ร, ควรพิจารณาให้ดี อย่าทำแบบสุ่มเดาผลจะปรากฏเป็นที่ไม่พอใจแล้วจะตำหนิก็ไม่เป็นผลอะไรเลยรีบแก้ไขเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าทันให้สายเกินไปหากว่าสายแล้วตะวันบ่ายหรือค่ำลงไปก็ลำบากเมื่อแก่ชราลงไปแล้วจะทำอะไรกอกงนูนันกงินแต่ไปบาเพ็ญคุณงามความดีก็ไม่สะดวกนั่งภาวนา ข, ขน็ขัดนู่นขัดนี่ปวดนู่นปวดนี้ นั่งอยู่เฉยสังเกตลมหายใจอยู่พอพอแล้วกําลังของคนแก่เป็นอย่า ง, งานั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่ควรแกการงานการงานทางโลกข้อควรสําหรับเราผู้มีกําลังอยู่ขนาดนี้การงานทางด้านธรรมะซึ่งเป็นผลเพื่อเราข้อเป็นการสาควรอย่างยิ่งในวนัยนี้ที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าได้ทั้งเงินหน้าเงินหลังเกิดมาในตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงบัดนี้อายุของเราได้กี่ปีกี่เดือน เรานับได้แล้วก็ควรที่จะเอามาลบบวกกันดูว่าเราได้สร้างคุณงามความดีไว้มากเท่าไหร่กับที่ปล่อยใจไปตามอำเภอใจปล่อยตัวไปนั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่เอามาลบกันดูถ้าห้าลบห้าก็อยู่ตัวได้ศูนถ้าห้าลบสี่แล้วขาดึ้น ถ้า c ลบ๕แล้วเหลือ๑ถ้า c ลบ๖แล้วเหลือ๒ c ลบ๑๐แล้วจะเหลือ๖เราพยายามให้มีจํานวนเหลือได้มากเท่าไหรยิ่งเป็นการดีความดีของเราเมื่อลบแล้วยังเหลือมากเท่าไรกับสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแต่เราได้ทําและผ่านมาแล้วนั้นมีจํานวนเท่าไหร่แล้วเราทําความดีมามีจํานวนเท่าไหรเอาบวกลบกันและจากนี้ไปเราจะพยายามหาจากเครื่องบวกเท่านั้น ให้ได้มากเพิ่มปูนขึ้นไปส่วนเครื่องลบให้มันดีแค่นั้นแต่มันมีระดับสูงขึ้นไปแต่เครื่องที่บวกหรือที่จะจะรับหมายลบนั้นให้เราทําเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบเป็นยี่สิบขึ้นไปเครื่องหมายลบเพียงห้าเท่านั้นเราไม่กลัวมีการสังเกตทบทวนบวกลบตนเองคิดบัญชีตนเองเป็นเหตุที่จะให้เราไม่มีความประมาท ทุกๆวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวขึ้นไปไนไถึงวัยกลางคนวัยแต่ไม่มีความประมาทในความประพฤติในหน้าที่การงานผิดหรือถูกเราต้องในข่ายควรไปสมองเพราะเราได้บวกลบตนของเราดีสมอ น, นีิจะไม่เสียผลเสียประโยชน์เกิดมาในชาติใดพบใดเรากวรจะสมหวังตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้แล้วเพราะอำนาจแห่งบุญ เป็นเครื่องส่งเสริมให้เราไปเกิดในสถานที่ดีและมีความสุขไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะสนับสนุนลุกส่งเสียเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่งามแม้แต่บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ให้กาเนิดเป็นที่เกิดของเราและเลี้ยงดูปลุกปลุกเรามาจนถึงขนาดนี้ท่านมีความรักเราแค่ไหนท่านก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียเราให้ไปเกิดในสถานที่เช่นที่ปรุงปราาักปรนได้ นอกจากบุญจากผู้สมที่เราสร้างขึ้นสําหรับตัวของเราเท่านั้นจะเป็นเครื่องส้สนับสนินเราได้โดยถูกต้องและตามกําลังที่เราได้สร้างไว้มาก น, อน้อยฉะนั้นเครื่องส่งเสริมนี้จึงควรทําให้มีกําลังมากขึ้นเป็นำลำดับหนึ่เราจะไม่ผิดหวังในอนาคตวันนี้เราก็ทําดีวันหน้าเป็นอนาคต เราก็พยายามทําให้ดีจนนั้นปีหน้าเขาพยายามทําตัวให้ดีการดัดแปลงตนเองย่อมมีความเคยกินเหมือนกันกับการปล่อยตัวการปล่อยตัววันนี้ปล่อยข น, นันวันหน้าก็าปล่อยมากเข้าไปเมื่อมีความเคยกินจนพอตัวแล้วมีแต่การปล่อยตัวทางนั้นไม่มีการรับยั้งช่างตัวได้เลยใครจะแนะนําตัดเตือนสั่งสอนไม่ยอมฟังเสียงทางนั้นนี่แสดงว่าไปจนถึงขั้นเลยเถิดแล้วกลับตัวไม่ได้ จมไปเลยมีการฝึกฝนอบรมตนเองการดัดแปลงตนเองเมื่อเราพยายามฝึกหัดได้ในขั้นนี้ในตอนนี้เราพยายามต่อไปไม่ล้นละเราก็กลายเป็นบุคคลที่มีขอบเขตมีหลักธรรมเป็นรู้กันเราฝึกหัดเราได้อย่างไรย่อมจะเป็นไปตามความหวังของเราเมื่อการฝึกหัดของเราได้มีความเคยชินแล้วไม่ปล่อยตัวไป ตามความอยากเอาเฉ ย, เยแต่มีหลักธรรมมีเหตุผลเป็นเครื่องทดสอบในการไปกัรมาการประพฤติดีชั่วของเราอยู่เสมนบุคคลนั่นชื่อว่าอยู่ในกรอบไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ทำตัวให้เคียไม่เป็นบุคคลที่เลยเถิดมีการปกครองตนเป็นอย่างนี้การปกครองตนก็ต้องมีหลักธรรมะเป็นเครื่องปกครองเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลักธรรมะจึงเป็นธรรมชาติที่ดีเยี่ยม ในการปกคลางโลกปกคลองตัวของเราปกคลางครอบครัวถ้ามีหลักธรรมะเป็นเครื่องปกครองครอบครัวก็เย็นโลกก็เย็นสมาคมก็เย็นตัวของเราก็เย็นาขาดมีแล้วเป็นไปไม่ไอกแม้ทรัพย์สมบัติเงินทองจะมีจํานวนมากเท่าไหร่ก็มาแก้ทุกข์ไม่หายเหมือนกันจะหาได้ก็เพียงทุกข์ทางกายเช่นเรามีความหิวความกระหายกับสิ่งใดนํา สมบัติเงินทองไปแลกเปลี่ยนเอามาก็พอทองที่มีอยู่ของเรานําไปแลกเปลี่ยนมาบำบัดเยียวยาความผิวความกระหายลึกความต้องการอันนั้นก็พ อ, พอจะบรรเทาไปได้แต่เรื่องทุกข์ทางใจนี้ไม่มีสมบัติเงินทองอันใดที่จะแก้ให้ตกไปได้นอกจากหลักธรรมะนาธรรมะเข้าไปแก้ธรรมะถึงจะระ ง, งับลงไปได้ ธรรมะท่านจึงเรียกว่าธรรมโอสถเป็นเครื่องรักษาจิตใจให้หายจากโรคคือความโลภ ค, ความโกรธความหลงเป็นลำดับลำนับไปด้วยเป็นเครื่องบํำบัดหรือประสาทขาดขันทุงเราคือรักษาขาดขันได้ด้วยท่านจึงเรียกว่าพุทธโอสถธรรมโอสถแสงเข้าโอสถมีความจําเป็นตลอดไปสาหรับเราเฉะนั้นขอให้ทุกๆ ท, ท่าน ทังท่านที่เป็นนักบวชและท่านที่เป็นคราหมณ์ได้นำธรรมะไปเผย่ปฏิบัติเป็นเครื่องรักษาพุ่งครองตนเองในเอียโบทั้งสี่ทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตจะปราบกฎสีรรที่พึงปรารถนาเป็นสมบัติของเราในอนาคตกางข้างหน้าการแสดงธรรมมาเผยมาสมควรเวจอเป็นขอรุติเพียงเท่านี้